ธรรมะของพระพุทธเจ้าสะอาดหมดจดนะสะอาดเป็นเครื่องล้างความสกปรกในใจของเรานะต้องเรียนต้องศึกษาด้วยความเคารพไม่มีอะไรจะสู้กับกิเลสได้เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้ากุศลทั้งหลายท่านสอนกุศลทั้งหลายเราต้องทาให้ถึงพร้อมนะสำรวจ ตัวเองอกุศลอะไรยังไม่ได้ละกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญสํำรวจแล้วก็ไม่ร้อนใจบางคนสํำรวจแล้วพบว่าอากุศลจํานวนมากยังไม่ได้ละกุศลจํานวนมากยังไม่ได้เจริญคลุ่มใจนะมีกิเลสชื่อกุ ก, กุจระร้อนใจกระวนกระวายความช่วยยังไม่ละความดียังไม่ทําแต่กระวนกระวายใจอยู่เฉยเฉยไม่ทําหรอก พวกเราใครเคยเป็นไหมรู้สึกอยากปฏิบัตินะร้อนใจแนละ้วรู้สึกหมูนี้ย่อหย่อนไปแต่ก็ยังหย่อนอยู่เนี่ยกลุ่มใจโกโก้ขี้เกียจนั่นแหละไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรวิเศษนะสะอาดหมดจดมันธรรมะรกในโลกเนะต็มไปด้วยของโสโปรกโสมมนาน า, นานชนิดเกิดจากกิเลสทั้งหมดเลย เรามาภาวนาเนะี่ยช่วยตัวเองได้คนไหนภาวนาก็ช่วยตัวเองได้คนไหนไม่ภาวนาไม่เปิดใจให้กับธรรมะธรรมะก็เข้าไปช่วยไม่ได้ไปล้างกิเลสให้ไกลไม่ได้เราต้องล้างกิเลสของตัวเราเองวิธีจะล้างกิเลสกนะ็สำรวจดูสำรวจใจกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกกิเลสอยู่ที่ใจเรานี่เอง ให้คอยรู้ทันใจของเราไปกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมารู้ทันกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมารู้ทันพระเจ้าอยู่หัวเคยถามโลบุรุลว่าจะละกิเลนไหนก่อนตัวไหนก่อนถ้าเป็นพวกเราเราก็คิดว่าจะละโทสะก่อนอย่างเงี้ยโทสะมีโทษมากค่อยไปละราคะราคะมีโทษน้อยแล้วค่อยไปละโมหะโมหะดูยากที่สุด มีโทษมากที่สุดเลยแต่ว่าดูยากที่สุดแล้วคิดว่ามีซีเควนต์นี่จริงไหมเวลาปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าล้างโดยมรรคเนี่ยมีลำดับเห็นขั้นขั้นไปล้างสังโยชน์มีเป็นลำดับแต่ว่าเวลาเราเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยกิเลสตัวไหนเกิดก่อนเอาตัวนั้นแหละตัวไหนเกิดขึ้นสดสด ร, ร้เอาตัวนั้นแหละ วิธีล้างกิเลสในะขั้นแรกเลยต้องถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าบางทีกิเลสมันรุนแรงเราสู้มันไม่ไหวเดี๋ยวเราไปทําผิดศีลไม่ดีไปล่วงเกินคนอื่นเขาทำผิดศีลงั้นเราตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนนะกิเลสแรงไม่เป็นไรแต่ไม่ไปลุกลามคนอื่นเขาด้วยกายด้วยวาจาไปทําความผิดทางกายทางวาจาขึ้นมา ท้งใจเรายังสดโปรกอยหมม่ห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้เงินเบื้องตัวรักษาศีลนะตั้งใจแล้วคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันการที่เราคอยจดจอ่อคอยเรียนรู้อยู่ที่จิตนะไม่ฟุ้งซ่านไปซะที่อื่นตัวนี้ก็คือสมาธินั่นแหละมีสมาธิรู้อยู่ที่จิตนะไม่ฟุ้งไปที่อื่นลืมจิตตัวเองแม้ศีลเรารักษาอยู่ที่จิต ไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจนทำความชั่วทางกายทางวาจามีสมาธิรักษาจิตตั้งมั่นมีสติรู้อยู่กับจิตไม่ลงไปที่อื่นแต่ไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งให้รู้ไม่ได้ให้เพ่งดีกรีไม่เหมือนกันเพ่งเนี่ยจะเริ่มจากโลภอยากรู้ให้ชัดอยากจะดีอยากอย่างโน้อนอยากอย่างนี้ก็ไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตา รู้นี่สบายเป็นธรรมชาตนะิบางทีจิตก็ไปรู้อย่างอื่นบางทีจิตก็มารู้จิตนะแต่ไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้มัวแต่รู้อย่างอื่นอันนี้ไม่ทันนะอย่าไปจ้องไว้ที่จิตอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไปตามธรรมชาติธรรมตาให้ตามองเห็นรูป หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจให้มันคิดนึกปรุงแต่งตามธรรมชาติแต่เราต่างกับคนทั่วๆไปต่างกับสัตว์ทั่วๆไปตรงที่เรามีสติตามรู้มันตามองเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตเห็นรูปบางอย่างก็เกิดความสุขเห็นรูปบางอย่างเกิดความทุกข์ตามองเห็นรูป รูปบางอย่างเกิดกุศลรูปบางอย่างเกิดอกุศลมีไหมตามมองเห็นรูปแล้วเกิดกุศลมีไหมมีใช่ไหม่นเราเห็นภาพพระพุทธรูปเห็นวัดเห็นเจดีย์อะไรเงี้ยศูนย์ถ้าคนเกลียดวัดนะเห็นวัดแล้วเกิดอกุศลเห็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าบางคนเกิดกุศลบางคนเกิดอกุศลบางคนเห็นพระพุทธเจ้าเกิดกุศลบางคนเห็นพระพุทธเจ้าเกิดอกุศลเป็นไปได้ไหมทมตไป บางคนมันดา่าพระพุทธเจ้าได้ซ้าไปาคนมันจะมาดักยิงพระพุทธเจ้าก็มียิงด้วยธนูเอาช้างมาให้เหยียบนี่เรามีสติไว้เราไม่จ้องอยู่ที่จิตห้ามจิตมีความรู้สึกเราไม่ห้ามให้ตากระทบรูปตามธรรมชาติากระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตให้เกิดไปตามธรรมชาติไม่ห้าม ไม่ห้ามการกระทบทางตาไม่ใช่ว่าต้องต้องอย่าไปดูมันพอดูแล้วก็ไม่ห้ามพวกการทำงานทางใจตามองเห็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเห็นแล้วใจก็ทำงานตามธรรมชาติธรรมดาเห็นแล้วเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นแล้วเกิดความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์เห็นแล้วเกิดกุศลรู้ว่ามีกุศลเห็นแล้วโลภโกรธหลงขึ้นมารู้ว่ามีโลภโกรธหลงเกิดขึ้น ให้เรามีสติตามดูนะนั้นจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติกับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติใกล้เคียงกันมากเลยคือปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานตามธรรมชาติกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติกระทบแล้วปล่อยให้ใจเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติแล้วมีสตินะมีสติคนทั่วไปขาดตรงที่มีสติตามรู้นี่แหละ แการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ทําตัวให้ผิดมนุษย์มนนาไม่ใช่ว่าต้องไม่เห็นรูปต้องไม่ฟังเสียงต้องไม่ได้กลิ่นต้องไม่รู้รสต้องไม่กระทบสัมผัสทางกายต้องไม่คิดต้องไม่นึกต้องไม่ปรุงต้องไม่แต่งอันนั้นผิดธรรมชาติถ้าไม่ต้องมองเห็นรูปแล้วบรรลุทําเร็วนะคนตาบอดก็บรรลุก่อนถ้าไม่ฟังเสียงแล้วบรรลุทําเร็วคนหูหนวกก็บรรลุก่อนแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้น กระทบอา ร, รมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะแหละแล้วปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นกับจิตมีสติรู้ทันไปเราจะเห็นเลนยว่าปฏิกิริยาทั้งหลายนั้นเราไม่ได้เจตนาจิตมันปรุงของมันขึ้นมาเองเช่นเห็นสาวสวยจิตปรุงราคะขึ้นมาสาวๆไปเห็นหนุ่มหล่อจิตปรุงราคะขึ้นมานไปเห็นหมาบ้าจิตปรุงความกลัวขึ้นมาไปได้ยินเสียงเพลงเนี่ย เพลงนี้เป็นเพลงสมัยเรามีความสุขนะถ้ายังคนแก่เนี่ยได้ยินเพลงเก่าเลนะมีความสุขเกิดขึ้นนะเพลงนี้ได้ยินตอนอกหักคนที่กำลังอกหักชอบฟังเพลงเศร้าๆรู้สึกไหมใครเคยอกหักอกหักแล้วทำสองอย่างนะอันแรกไปตัดผมก่อน <c oughs> นะให้ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการประกาศกับตัวเองว่าชีวิตถึงจุดเปลี่ยนแล้ว ไ่เปลี่ยนทรงผมแล้วก็ชอบฟังเพลงเศร้าๆแล้วก็รู้สึกแหมเป็นชีวิตเราแท้ๆเลยเนี่ยหูได้ยินเสียงความเศร้าเกิดขึ้นในจิตมีสติรู้ทันบางคนได้ยินเพลงฟังแล้วเศร้าแหมอกหักอุดหูไม่ฟังมันได้ยินด้วยใจใครเคยฟังเสียงเพลงในใจบ้างคนไหนใจเคยร้องเพลงบ้าง คนไหนใจเคยบน่นบ้างเห็นคนไหใ น, ในใจเคยด่าบ้างมันทำเองเนื้อออกไหมมันทำได้เองเนี่ยดูจิตจะยากอะไรเราก็รู้ของเราอยู่อย่างเนี้ยนะยากอะไรมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเก่งมากเลยหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุท ธ, ท ธ, ธานิโยเวลาสอนกรรมฐ า, าน สอนกรมนรมฐานที่น่าทึ่งมากเลยสอนที่คนไม่เข้าใจเราดูถูกเลยท่านสอนบอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติฟังเราไม่เห็นจะเป็นกรมนรมฐานตรงไหนเลยโอยจริงๆสุดยอดกรมรมฐานเลยยืนน่ะอะไรยืนร่างกายมันยืนใช่ไหมอะไรสั่งให้ร่างกายยืนจิตสั่งใช่ไม้ม มีสติก็คือมีสติรู้กายรู้รูปที่ยืนมีสติรู้จิตที่สั่งสอนกรรมฐานนะสอนกรรมฐานที่ยอดเยี่ยมมากเลยจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทําร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําจิตมันเป็นคนสั่งจะพูดร่างกายมันพูดนี่จิตมันสั่งคิดละ่ะคิดนี่จิตมันคิดคิดขึ้นมาเอง บางทีคิดก็เพราะอาศัยร่างกายเป็นตัวนำเช่นตาไปมองเห็นตามองเห็นภาพอันนี้จิตก็เลยนึกขึ้นได้คิดถึงเรื่องนี้นเวลาเราไปดูใครมีอัลบั้มเก่าๆมีไหมไปเปิดอะลบั้มเก่าใช่ไหมพอเห็นรูปนี้ปุ๊บจิตไปคิดเลยคิดไปตามรูปที่มองเห็นนั่งรถไปได้ยินเสียงเสียงเพลงนี้จิตก็คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆ นี่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะทำให้จิตคิดก็ได้จิตคิดขึ้นเองก็ได้ถ้าหัดภาวนาไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็จะเห็นแต่รูปประธรรมกบ น, นามธรรมเนี่ยเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีคนที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีแต่รูปประธรรมนามธรรมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยท่านสอนลึกนะท่านสอนลึก แต่ฟังแล้วตื้นเหมือนที่พระ น, นรินท์เคยพูดพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์บอกว่าปฏิจจสมบุพบาทลึกนักแต่สําหรับข้าพระองค์แล้วปรากฏว่าเป็นของตื้นปรากฏเหมือนเป็นของตื้นตรงนี้เลยตีความได้สองแบบหนึ่งพระนรินท์เก่งมากเรื่องยากก็ดูง่ายอันที่สองพระนรินท์ยังไม่เก่งเรื่องยากเรานึกว่าง่ายนะ จริงๆแล้วธรรมะของพระอาจารย์นะง่ายง่ายแต่ประณีตลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับไม่สับซ้อนไม่สับสนนะไม่มีคำ ว, ว่าสับสนกรรมฐานที่แสนจะง่ายยืนอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเดินอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนั่งอยู่นอนอยู่ด้วยความรู้สึกตัวกินด้วยความรู้สึกตัวเดี๋ยวเราจะทดสอบตอนกินกินเราเห็นร่างกายมันกินใจเป็นคนดูนะ เห็นร่างกายมันสั่งตักอันนี้ใส่ปากร่างกายมันสั่งจิตจใจมันสั่งให้ร่างกายทํางานนะจะเดินแต่เข้าห้องน้ําเห็นไหมร่างกายมันเดินไปจิตมันสั่งนะดูไปดูไปนะม่เห็นแต่รู ป, ปรธรรมกับ น, นามธรรมเนะี่ยทำงานสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆช่วยกันทํางานนะดูไปดูไปรูปธรรมนี้ไม่ใช่ขนนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็ไม่ใช่ขน เป็นแค่รูปธรรมอย่างหนึ่งเป็นแค่นา ม, มาทำอย่างหนึ่งนะงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะยืนอยู่ก็เห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนดูนะพอจะขยับขยื่นเห็นเลยใจมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนะก็ดูมันทำงานสัมพันธ์กันไปด้วยเราก็รู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวก็รู้สึกคอยตามรู้สึก นะตามรู้สึกไปเรื่อยในกายในใจอย่าไปจ้องไว้ก่อนจุดที่ทำให้พวกเราภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่สาเร็จนะก็คือเราชอบไปจ้องไว้ก่อนเช่นไปจ้องรอตูร่างกายร่างกายจะเคลื่อนไหวแล้วจ้องจ้องจ้องบางคนนะมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาฝึกกรรมาฐานเชื่องช้ากรรมาฐานเชื่องช้าเนี่ยเขาแปลงฝัน ก็แปลงตั้งแต่หลังอาหารมื้อเช้านะจนเพื่อนกินข้าวกลางวันแนะล้วยังแปลงไม่เสร็จเลยฟันคงจะสึกไปมากจริงๆไม่สึกหรอกแต่เหงือกแห้งเพราะว่าไม่ค่อยถูเท่าไหร่แล้วก็เด็กคลิ๊กลิ๊กคล๊ก ค, ก ค, กคอยจ้องอย่างงี้นะ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นดูลงไปเลยร่างกายนี้มันทํางานเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่ใจเราเป็นคนไปรู้มันเข้านะ แล้วก็จิตใจมันก็ทำงานร่างกายมันก็ทำงานดูเขาทำงานไปเรื่อยๆนะดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเต็มไปด้ยวยความไม่เที่ยงเช่นร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะยืนแล้วก็เดินแล้วนั่งแล้วนอนอย่าง น, นีนะ้หมุนเวียนไปเรื่อยนะเหลียวซ้ายแลกว่าเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง กินอาหารขับถนะ่ายะไร่ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยใจเราเป็นแค่คนดูมันจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายคือตัวเรานะจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพาะตามองเห็นรูปเกิดความสุขตามมองเห็นรูปเกิดความทุกข์ตามมองเห็นรูปเกิดกุศลตามมองเห็นรูปเกิดอกุศลนะเปลี่ยนไปเรื่อย แล้วเราคอยรู้ไปเลยบางคนก็ทํากรรมฐานผิดนะมันผิดอยู่ได้ทุกจุดเลยอย่างตามองเห็นรูปนะไปกําหนดจิตไว้ที่ตาจ้องอยู่ที่จักขคู่ประสาทจ้องอยู่ที่ประสาทตาจ้องอยู่ที่ประสาทตาตอนนี้หลวงพ่อจ้องอยู่ที่ประสาทตาข้างซ้ายจ้องสองตายังไม่ได้เลยนะถ้าชํานาญจริงๆอ่ะจ้องได้ตาเดียวลองดูสิจ้องได้สองตาสองตามันไม่ใช่ไปจ้องที่จักรคูประสาทละมันแบ่ง ถ้าจ้องสองตาเนี่ยมันจ้องอย่างอื่นแล้วบางคนไปจ้องอยู่ที่จักรครูปรนะสาทตว่าไม่มีกิเลสก็ไม่มีกิเลสสิก็เพ่งอยู่เฉยๆกิเลสไม่มีโอกาสเกิดเลยบางคนตามมองเห็นรูปจ้องอยู่ที่รูปจ้องอยู่ที่รูปอย่างดูพัดจ้องอยู่ที่พัดจ้องแล้วไม่คิดไม่นึกอะไรนะจ้องนิ่งๆว่าไม่มีกิเลสก็ไม่มีสินะจกักรครูวิญญาณจินไม่มีกิเลสเนี่ย นะจ้องอยู่ที่ประสาตาก็ไม่มีกิเลสเพราะประสาตตาเป็นรูปรูปไม่มีกิเลสจ้องอยู่ที่ผัสสะผัสสะเป็นนามล้เห็นไหมเป็นนามธรรมแต่เป็นผัสสะนี่เป็นนามธรรมที่เป็นวิบากเฉยๆไม่มีกิเลสนะไปจ้องอยู่ตรงที่มันไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสสนะิไปจ้องอยู่ที่จิตที่รู้รูปเนี่ยตัวจกักขุวิ ญ, ญญาณจิตจริงๆ ก็ไม่มีกิเลสจากครูปัญญาจิตเป็นวิบากจิตไม่มีกิเลสเนีงั้นถ้าเราไปจ้องอยู่นะส่วนใหญ่จะไปจ้องเอาตัววิบากทนั้นเองตัวที่มันไม่มีกิเลสโดยตัวของมันเองะก็จ้องนิ่งๆอยู่จ้องอยู่ที่ร่างกายก็นิ่งๆหรืออยู่ๆไปเพ่งจิตเพ่งจิตลงไปนึกว่าเพ่งจิตเหรอจริงๆไม่ได้เพ่งจิตแต่เอาจิตไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งอะไรที่ว่าเพ่งจิตอยู่เพ่งความว่างเพ่งความว่างนะ ไม่มีกิเลสเนาะกิเลสมองไม่เห็นมีกิเลสแต่มองไม่เห็นนะงั้นการภาวนานะอย่าเข้าไปเพ่งเพ่งรูปธรรมก็ไม่ได้เรื่องนะเพ่งนามธรรมาก็ไม่ได้เรื่องคอยรู้ความเคลื่อนไหวรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของมันเรื่อยๆไปนะจะไม่ยากหรอกไม่ยากใ่ายคอยรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวกิเลสลุนแรงขึ้นมาไม่ทําผิดศีล ปล่อยให้กายทํางานปล่อยให้จิตทํางานมีสติตามรู้เรื่อยไปฝึกอย่างนี้ไม่ยากหรอกไม่นานก็จะเห็นความจริงรูปธรรมทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามธรรมทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปธรรมกับนามธรรมซึ่งมาประกอบกันมารวมตัวกันแล้วสัญญาเข้าไปหมายผิดๆว่ามีเรา สัญญาที่วิปลาสหมายว่ามีเรามีอัตตสัญญาหมายว่าเที่ยงเป็นนิจจะสัญญาหมายว่ามันเป็นสุขทั้งที่จริงๆมันเป็นตัวทุกข์ขาดไม่เป็นตัวทุกข์เราหมายว่าสุขมีสุขสัญญาจริงๆมันไม่สวยไม่งามหมายว่าสวยว่างามเป็นสุภสัญญาอาศัยการหมายผิดผิดนี่แหละทำให้เชื่อผิดผิดแลทำให้คิดผิดผิด ไปหมายผิดผิดนะก็ทำให้มีความเห็นผิดมีความเห็นผิดนะจะพูดจะทำจะคิดอะไรก็ผิดไปหมดนะ้วเรามาดูของจริงดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูเขาทำงานเรื่อยๆไปเราเป็นแค่คนดูเห็นรูปธรรมนามธรรมนะเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงไปเห็นลึกซึ้งเข้าไปอีกรูปธรรมนามธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวมีเหตุมีเหตุที่า เ, เกิดไม่มีเหตุไม่เกิด อย่างอยู่ๆเราสั่งให้จิตสงบเนี่ยสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาความสงบจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุความฟุ้งร้างจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุความทุกข์ความสุขจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุทั้งสิ้นเลยแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับเราค่อยหัดเรียนรู้ไปนะดูของจริงไปเรื่อยไม่ต้องไปคิดนำมันมากหรอกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนคิดเอาไม่ได้ปัญญาทิ้งเป็นปัญญาจากการคิดเท่านั้นเอง หรือไปอ่านตำรามาเป็นปัญญาจากการฟังการอ่านเรียกสุตตามิยปัญญาไปคิดเอาเรีจินตามิยปัญญานะภาวานาดูของจริงไปเลยนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นทีแรกเราแค่เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นทํามาความโกรธก็หายไปเห็นแค่เนี้ยแต่พอเราเห็นความโกรธหลายๆทีเริ่มจับทางมันได้มันะจะเริ่มจับทางได้กะความโกรธมันต้องมีเห็นนะนะมันมีตัวหนึ่งดันอยู่ข้างในรู้สึกไหมไหว ย, ยิบยิบยิ บ, ยบตัวอนุสัยทํางานขึ้นมา ต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก่อนแล้วตอนนั้นต้องไม่มีสติด้วยต้องหลงความโกรธก็เกิดความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นมามีเหตุหลายตัวที่ทำให้เกิดความโกรธมีเหตุหลายตัวมาร่วมกันทำให้เกิดความโลภมีเหตุหลายตัวทำให้เกิดความสุขมีเหตุจำนวนมากทำให้เกิดความทุกข์มันเห็นเองนะไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดบางคนเห็นได้เยอะบางคนเห็นได้นิดหน่อย แล้วแต่ละตัวแต่ละตัวนะเหตุของมันนะก็มีเหตุของมันอีกนะโยงไปโยงไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งหมดนะสุดท้ายเป็นความกระเพื่อมไหวของโล ก, กธาตุท่านเองความกระเพื่อมไหวของขันนะเป็นแค่ปรากฏการเป็นแค่คลื่นที่กระเพื่อมไหวทั้งจักรวนันะถ้าสติปัญญาพอเนระาจะรู้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตนะุสิ่งสิ่งหนึ่งนะ เกิดจากเหตุตั้งหลายสิ่งเหตุแต่ละสิ่งเกิดจากเหตุดีหลายๆสิ่งนะโยงเกี่ยวพันกันม้วนซั่วไปหมดเลยสุดท้ายแยกย่อยออกไปนะมีแต่คลื่นเป็นคลื่นของปรากฏการณ์เท่านั้นไนะอ้ยากไปมั้งยากไปไหม <laughs> <laughs> เราดูของจริงไปเลยนะจนกระทั่งรู้เลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆ สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนหรอกมันมีเพราะมันมีเหตุไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรพระสัจจีสอนพระสารีบุตรบอกทมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้พระสารีบุตรฟังแล้วก็ได้พระโสดาบัน แจ้งปิ้งขึ้นมาเห็นสภาวะจริงๆเห็นแจ้งด้วยใจทุกอย่างมันเกิดจากเหตุเพรนั้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เราบังคับได้จริงเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมีเหตุมันก็มีหมดเหตุมันก็ดับนะแล้วดูต่อไปอีกปัญญาจะลึกซึ้งเป็นลําดับลําดับไปนะพอรู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาแนละ้วต่อไปก็เห็นเอง ดูไปด้วยจะเห็นปรากฏการทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตเข้าไปยึดไปถือนะจิตก็ทุกข์จิตจะทุกข์ขึ้นมาถ้าปรากฏการสักแต่ว่าปรากฏการ์อยู่จิตก็ไม่ทุกข์เราะนั้นเวลาชีวิตของเรามีปัญหาเนี่ยเรามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นปัญหาอยู่ข้างนอกนะแต่มาเข้ามาข้างใจเราได้เข้ามาถึงใจเราได้เพราะเรายอมรับ ปรากฏการที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้อย่างบางคนแฟนทิ้งสามีทิ้งไปเป็นปัญหาใช่ัหมมันทิ้งไปแล้วใจเราทำไมต้องทุกข์ใจเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันมาแล้วมันไปเพียงแต่มันไปเร็วกว่าที่เราคิดบางคนเป็นขนาดนี้นะสามีเนี่ยให้มันลถความตายซะดีกว่าให้มันมีชู้มันมีชู้มันยังมีชีวิตอยู่นะยังเห็นหน้ามันทุกวันได้ ไม่ไม่อยากเห็นลวความทุกข์ทางใจเนี่ยมันมาจากที่เรายอมรับปรากฏการ์ยอมรับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ถ้ายอมรับได้ใจเป็นกลางกับมันนะก็จะเห็นว่ามันก็แค่ปรากฏการ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่ปรากฏการ์ทั้งหมดเลยคนด่าก็เป็นแค่ปรากฏการ์คนชมก็เป็นแค่ปรากฏการ์แคนด่าแล้วทาไมต้องโกรธ ไม่อยากให้มันด่าคนชมแล้วทำไมต้องดีใจมันน่าจะชมอีิงนาะก็ <g ül> <g ül> มันชอบอะ่ะมันสนองกิเลสสนองอัตตาคนก็ชมแล้วกูเก่งกูใหญ่กูดีตัวมันพองตัวมันพองก็ชอบนะถ้าตัวมันแฟบลงไม่ชอบใครเคยได้ยินชื่อหลวงพิจิตวาทการไหมหลวงพิจิตวาทการเป็นคนซึ่งพูดเก่งพูดเก่งมากเลย ใครคุยกับแกน่กเคลิ้มเลยปลืม่มปลื้มมากแกมีเคล็ดลับนะแกบอกว่าถ้าเราดิวกับคนอื่นถ้าเราไปสัมพันธ์คนอื่นอะไรเนี่ยถ้าทําให้เขารู้สึกพองขึ้นได้เนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วเขาชอบถ้าทําให้เขารู้สึกไว่แย่ลงเนะ่เขาไม่ชอบหรอกแกใช้หลักนี้ตลอดเลยเจอใครแกทําให้เขาพองไปหมดเลยทำไมเขาชมต้องพอง สนองกิเลสสนองกูทำไมเขาด่าต้องโกรธก็ว่ามันกระทบกูเขาเนีถ้าเรารู้สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นนะสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นก็แค่เห็นว่าสภาวะเกิดขึ้นไม่ไปหลงยินดีไม่ไปหลงยินร้ายกับมันเป็นกลางกับมันแท้จริงสภาวะก็แค่สภาวะเท่านั้นแหละเราไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับมันถ้ายินดีก็เข้าไปยุ่งกับมันถ้ายินร้ายก็เข้าไปยุ่งกับมัน ทั้งยินดีทั้งยินรายยุ่งกับมันทั้งนั้นแหละงั้วเร า, คาแค่คอยรู้ทันนะมีสติรักษาจิตของเราไปวิธีเอาสติรักษาจิตไม่ใช่ไปห้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้รู้ทันอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราคอยรู้ทันไหมเท่า น, นั้นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วเกิดสุข ก, กระทบแล้วเกิดทุกข์กระทบแล้วเฉยๆกระทบแล้วเกิดกุศลกระทบแล้วเกิดอกุศล ก็แค่รู้แค่เห็นไปเท่านั้นเองนะแค่รู้แค่เห็นเท่านั้นเนี่ยไม่พอนะรู้ลึกซึ้งลงไปอีกจิตเกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกต่างๆเช่นมีความสุขเกิดขึ้นจิตยินดีพอใจเนี่ยมันทํางานลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งละนะทีแรกตามองเห็นรูปจิตทํางานขึ้นมานะเกิดความยินดีเกิดราคะเนะีมันชอบเกิดความสุขนะเสร็จแล้วจิตมันทํางานต่อพอมีความสุขเกิดขึ้นจิตมันยินดีในความสุข มันยินดีก็ไมอีชัน้นก็ดิ้นรนอยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปงั้เวลาเราดู้าดูได้สองชั้นได้เก่งดูได้หนึ่งชั้นก็เก่งแล้วดูสองชั้นเก่งมากกว่าเก่าดูชั้นที่เนี่งนตามองเห็นรูปโทสะเกิดรู้ว่ามีโทสะขับรถอยู่เขาปาดหน้าความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นพอรู้แล้วใจเราไม่ชอบความโกรธนี่เกิดปฏิกิริยาชั้นที่สองแล้ว เกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนอั่นแหละที่จิตปรุงขึ้นเองแล้วความรู้สึกนี้จิตปรุงขึ้นเองนะอารมณ์แรกอาจจะมาจากข้างนอกได้จิตกระทบอารมณ์ภายนอกแล้วก็ปรุงความรู้สึกภายในขึ้นมาความรู้สึกภายในนั้นเป็นอารมณ์ตัวใหม่จิตก็ปรุงความรู้สึกซ้อนเข้ามาอีกเพราะฉนั้นมันปรุงขึ้นจากภายในก็ได้อย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้านะ เห็นคนปาดหน้าเป็นอารมณ์ตัวแรกคนปาดหน้าจิตไปรู้เข้าว่าเขาปาดหน้าจิตเกิดความโกรธคนทั่วไปเห็นแต่คนปาดหน้าไม่เห็นจิตที่โกรธนี่พวกภาวนาไม่เป็นพวกภาวนาเป็นเห็นเลยจิตมันโกรธจิตโกรธแล้วพวกนักปฏิบัติเป็นคนรักดีไม่อยากให้โกรธ ความโกรธเกิดขึ้นนะั้นรีบไปจ้องอย่าเมื่อไหร่จะหายโกรธเมื่อไหร่จะหายโกรธโมโหมันอีกนะว่าทําไมมึงโกรธเก่งนักวะเขกหัวตัวเองด้วยทาไมมึงโกรธป่อยทำไมมึงโกรธเก่งเนี่ยดูไม่ทันกิเลสที่ซ้อนเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายรู้ทันมันนะรู้ทันมันเข้าไปอีกจิตจะเป็นกลาง ถ้าจิตเป็นกลางแล้วคราวนี้จะเห็นปรากฏการ์ทั้งหลายนะผ่านไปเฉยๆโดยไม่เข้าไปแทรกแสงถ้าจิตไม่เป็นกลางปรากฏการเกิดขึ้นจิตจะเข้าไปแทรกแสงเช่นขับรถอยู่พอบาดหน้าความโกรธเกิดขึ้นจิตไปรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นไม่เป็นกลางอยากให้หายโกรธก็เข้าไปแทรกแสงทํายังไงจะหายโกรธเนี่ยจิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งซ้ําซ้อนเรียกว่าบาดเจ็บซ้ําซ้อน นั้นถ้าจิตเกิดความโกรธครั้งแรกเนี่ยห้ามไม่ได้นะความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากให้หายห้ามไม่ได้ว่าอยากให้รู้ทันเข้าไปอีกนะพอรู้ทันถึงความยินดียินร้ายของจิตนะความยินดียินร้ายมันดับเองไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะพอความยินดียินร้ายดับเราก็จะเห็นสภาวะของความโกรธนะั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเราแนละ้วนะเป็นแค่ปรากฏการที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราไม่ไปหลงยินดีเราก็ไม่ไปหยิบขึ้นมาถ้าไม่หลงยินร้ายก็ไม่ไปหยิบขึ้นมา นะยินดีก็หยิบขึ้นมายิบร้ายก็หยิบขึ้นมางันะ้นภาวนานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตแล้วนะถ้าหลงยินดีก็รู้หลงยินร้ายก็รูนะ้ไม่เป็นกลางต่อสิ่งที่มากระทบมันอย่างหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านหลวงพ่อชอบถามใช่โกรธรู้ไหมนะ พอบางคนบอกหมูนี้โกรธมากเลยหลวงพ่อจะถามต่อเป็นกลางไหมเนี่ยข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเป็นกลางได้ปรากฏการทั้งหลายจะสักว่าปรากฏการไหลามาแล้วก็ไหลไปเราไม่เข้ายุ่งกับมันนะงั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางนะเราจะเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สุดท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกนะเป็นตัวทุก เอเชิญไปทานข้าวไปไปดูรูปมันเดินไปกินข้าวไปดูรูปมันตักข้าวนะไปดูใจมันตะกละไปดูใจมันโกรธเพร่ะคนอื่นมาตักของดีไปก่อนนะ